นิคมก็ดีเมืองก็ดีชื่อว่าหมู่บ้านและนิคมคำว่าให้ทายกถวายแก่เธอคือให้เขาถวายข้าวต้มข้าวสวยของเคี้ยวหรือของฉันคำว่าไม่ให้ทายกถวายคือไม่ให้ทายกถวายอะไรอะไรคำว่านิมนต์กลับความว่าภิกษกกกู่ปรารถนจาจะกระสิบกระสีปรารถนจาจะหยอกเย้าปรารถนาจะนั่งในที่ลับหรือปรารถนจาจะประพฤติอนาจารกับมาตุคามกล่าวนิมนต์กลับอย่างนี้ว่าท่านจงกลับไปเถิด พูดหรือนั่งกับท่านไม่ทําให้เราสบายเราพูดหรือนั่งคนเดียวสบายกว่าต้องอบัตทุกกฎเมื่อเธอไปถึงระยะที่มองไม่เห็นหรือไม่ได้ยินเสียงที่สู่รูปที่นิมนต์กลับต้องอบัตทุกกฎเมื่อเธอไปจนพ้นต้องอบัตปลาจิตีคำว่ามีเหตุผลเพียงเท่านี้ไม่มีอะไรอื่นความว่าไม่มีเหตุผลอย่างอื่นเพื่อส่งกลับ